ตัวใหญ่กว่าอายุมากกว่าชอบแกล้งก็เป็นประ จ, จำจนกระทั่งเขาไม่อยากไปโรงเรียนการไปโรงเรียนนี่เหมือนกับไปนรกเลยนะเพราะต้องโดนแกลง้งเขาก็ลังรู้จะทำยังไงนะแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ความคิดขึ้นมาไปโรงเรียนก็ไปหายวัยรุ่นคนนี้แหละอายุหกมาลสักสิบหกสิบเจ็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 สฟิเบริรก็ถ่ายทําหนังจริงจังเลยนะแล้วเขาก็เล่าว่าหลังจากถ่ายทําหนังจบนี้ไอ้ไวรุ่นคนนั้นนี่กลับมาเป็นเพื่อนเขาเลยที่เคยแกล้งเขาที่เคยอาทาร้ายนะก็เปลี่ยนมาเป็นคนละคนกลายเป็นเพื่อนที่สนิทนะอันนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่า รู้สึกภาคภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณสปิเบิร์กถ้าคนบางคนเขาทำตัวเป็นนักเลงเกเรก็เพราะเขาสิดว่าเขาไม่มีคุณค่าไม่มีใครยอมรับนะแต่ว่าสปิเบิร์กสิ่งที่สปิลเบิร์กทำยังทำให้เขาสุดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาก็เลยอยากจะเป็นคนดีเขาบ้างก็เลยกลายเป็นเพื่อน เปลี่ยนไปเลยนะจากจากผู้มุ่งร้ายเนดะ็กเกเลนะกลายเป็นเพื่อนที่ดีมีพี่อย่างไทยคนหนึ่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยบริษัทเข า, าปิดนะดก็เลยว่างงานว่างงานก็เลยคิดว่าไหนไหน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 เป็นหมาเทลลี่ยามเห็นผิดสังเกตก็ทําท่าเหมือนกับจะเรียกจะโทรศัพท์เรียกตํารวจเพียงไทยคนนั้นเห็นพอดีนะก็เลยก็เลยโบกมือบอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนกันนะยามเห็นยามได้ยิงก็เลยเออคิดว่าไม่มีอะไรก็วางหูโทรศัพท์ผู้ชายมาแปลกใจเอ๊ เรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถามเพียงไทยคนนั้นเนาะก็เมื่อกี้นี้ไงเธอตอบเมื่อกี้นี้ไงแล้วผู้รานก็ถามต่อไปว่านี่ยคนเอเชียนี่รวยแต่ทำไมคุณหมอไม่มีเงินเธอก็ลอยฟังว่าเนี่ยประเทศฉันเนี่ยมันเพิ่งโดนวิกฤตเศรษฐกิจมาตอนนี้ IMF นี่มายึดกรองประเทศแล้วตอนเนี้ย คนไทยทั้งประเทศนี่เป็นท่า IMF นะ U เนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองชั้น2เนี่ยเป็นคนดำเนี่ยยังโชคดีกว่ากว่า I นะ I นี่ตอนนี้เป็นทา่า IMF ละทั้งประเทศเลยเป็นนี่เป็นศิ์มากมายบอกว่าผู้ล้านเห็นใจนะเห็นใจแล้วก็ซาบซึ้งใจด้วยเนี่ยเพราะว่าขนาดอย่าไม่จะไปเรียกตำรวจนี่เธอก็ยัง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 เธอก็บอกว่าเนี่ยก็จะไปซื้อของจ่ายตลาดเขาก็ถามว่ายี่สิบดอลลาร์พอหรือเธอก็ตอบว่าพอใช่เหลือเพื่อไข่ไข่โร ล, ล่าไม่ไข่โรล่ะสองสามดอลลาร์เท่านั้นเองฉันซื้อไข่โร่หนึ่งโร่หนึ่งนี่กินทั้งอาทิตย์เลยโจ น, นี่เห็นใจนะโอ้โหกินไข่ทั้งอาทิตย์นี่กินทั้งโร่เลยก็เห็นใจคืนเงินให้ แล้วก็พาเธอเนี่ยไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของให้เธอเนะสองสามถุงเลยนะแล้วก็ยังอุตส่าห์หอผิวถุงเนี่ยมาส่งเธอถึงหอพักแล้วก็แถมเงินให้อีก <c oughs> ห้าสิบดอลลาร์คุญิงไทยคนนั้นก็ดีนะวันต่อมาเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาก็ซื้อของไปเยี่ยม คนดำคนนั้นเนะ่แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นซื้อของประเภทพวกเครื่องครัวเพื่ออะไรเพื่อไปทำต้มยำกุ้งให้ให้คนดำคนนั้นกินนะก็เลยรู้จักกับครอบครัวรู้จักลูกสาวตอนหลังลูกสาวก็ไปเรียนที่ชิคาโกเวลาบอกเธอบอกว่า เ, เวลาเธอแวะเมืองนอกเนี่ยก็จะไปเยี่ยมลูกสาวมันตละปัดเลยน ะ, ะผู้ร้ายเนี่ยที่ หมายมุ่งจะเอาเงินของเธอนี่ไ ป, ไปมากลับให้เงินเธอได้ซ้ําแล้วกลายเป็นเพื่อนกันทั้งสามเรื่องนี้มันเหมือนกันอย่างนึงคือว่าคนที่มุ่งร้ายคนที่หมายเอาเปรียบเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนนะกลายเป็นเพื่อนนะกลายเป็นคนที่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้คนเรามันเปลี่ยนได้นะเวลาเราเจอศัตรูเนี่ยเรามักจะมองเขาในทางร้าย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 ความโกรธความเกลียดนะความเศร้าความเน้เนื้อตามใจพวกนี้มันก็บันทอนจิตใจนะถ้ามันมีขึ้นมาในใจมันก็เผาล้นจิตใจบีบคั้นจิตใจกลียดใจให้เป็นแผลคนเราเวลาเจออารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราก็มักจะหาทางต่อสู้ด้วยการกดข่มผลักไส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 ด้วยภาษาที่เหมือนกับกวีนะท่านบอกว่าอบ ก, กอดความโกรธนะอบ ก, กอดความโกรธด้วยสตินะอบ ก, กอดความทุกข์ด้วยสติแทนที่จะผลักไสมันก็อบ ก, กอดมันมันแสดงความความนุ่มนวลความรู้สึกนุ่มนวลความรู้สึกที่ไม่เป็นปฏิปักษ์นะเวลาเราจเจออารมณ์พวกนี้เนี่ยจะไปผลักไสมันนะเรา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 พอมาจะรียสติดได้จุดถึงจุดหนึ่งนี่ยิ่งโกรธมากกว่าเดิมยิ่งเครียดมากกว่าเดิม เ, มกกเมพราะอะไรเพราะไปพยายามไปกดขม่มไปทำลายกำจัดไอความรู้สึกเหล่านั้นลนงในความฟุ้งซ่านนะลองปรับใจเชื้อใหม่นะไม่ต้องแทนที่จะไปชิงชังแทนที่จะจะรู้สึกลบนะก็มองนะจะมองด้วยความรู้สึกเมตตาก็ได้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 ด้วยการจ้องการเพ่งด้วยการพยายามที่จะไปกดข่มความคิดไปกดข่มอารมณ์ต่างๆแล้วก็บางทีก็รู้สึกแยกกับตัวเองอันนี้ก็เป็นการทำร้ายตัวเองได้เหมือนกันนะทำร้ายตัวมันทำได้หลายแบบการกินเหล้าสู บ, บุรีอันนี้ก็เป็นการทำร้ายตัวเองแบบหนึ่งหรือว่าการ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 ผู้เจ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ที่กระทำตัวเองเหมือนเหมือนกับเป็นศัตรูนะกระทำตัวเองเนี่ยประหนึ่งศัตรูท่ทั้งที่บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยแต่ว่าทํากับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นศัตรูก็คือบ่มเพาะไออารมาณ์อกุศลเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งถึงแม้มันจะอาจจะไม่ได้ผลักพาให้เราไปทําชั่วจกนกระทั่งเกิดความเดือเนอร้อนใจตามกลับมา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 รวมทั้งความหงุดหงิดความโกรธนั่คนดีเขาไม่โกรธทําไมเราโกรธอย่างนี้รู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกแย่กับความโกรธเป็นศัตรูกับความโกรธพยายามกดข่มมันเอาไว้อันนี้ก็ทําร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่งนะเพราะความยิงทําให้เป็นทุกข์ที่ทําให้เป็นเครียดมากขึ้นไม่ต้องกําจัดมันแค่เปลี่ยนมันแค่นั้นเองนเปลี่ยนมัน นะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีไม่ว่าร้ายน่าจะอยู่ข้างนอกตัวเราอยู่อยู่ในใจหรอมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โนะ ด, ดยการวางท่าทีที่ถูกต้องไม่รู้สึกลบไม่รู้สึกเกลียดชังนะถ้าเป็นเรื่องภายในใจนะก็ใช้วิธีการอย่างที่ว่ามาใช้สติใช้ความวรู้สึกตัวรู้ซื่อนะแค่นี้ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงไดนะ้แต่ถ้าเป็น